วรที่หนึ่งเรื่องที่เจ็ดผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะพระพุทธภาษิตอนิกะสาวโวกาสาวังโยวัดถังปริดาเหตสติอเปโตดามสสัจเจนะนัสโศากาสาวะมรหตัติโยจาวันตะกะสาวสัสสะศีเลสุสุสมาหิตโตอุเปโตดามสสัจเจนะ สเวกาสาวะมรหัติผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดคือมีกิเลสหนาเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรหอมผ้ากาสาวะ อธิบายความกิเลสมีการมราคะความกำหนัดในกามเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลตดุดน้าฝาดธรรมะนั้นหมายถึงการฝึกอินทรีย์หกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นตายและใจให้เชื่องไม่มีพิษสงในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้น สำหรับภิกษุพระสัสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันคารวาะก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในคารวาสธรรมกล่าวคือทำสำหรับคารวาะพระสัสดาก็ทรงบัญญัติธรรมะไว้ประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. สัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีหกส 3. ขันติอดทนต่อหนาวร้อนความลำบากตรากตรํา 4. จาคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีนัยยะเป็นอนเนกคือมีคำอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นอยู่ในธรรมหมวดใด มีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปาริเสสนัยคือยังมีนัยยะอื่นๆอีกจอเอาเฉพาะที่พระศา ส, สดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวก่อนในที่นี้ท่านหมายถึงวจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้ไม่มีธรรมะและสัจจะยังมีความกำหนัดกล้าในการมคุณห้ามีรูปเป็นต้นท่านไม่ควรโหมผ้ากาสาวพั ส่วนผู้ปราศจากความกำหนัดกล้าประกอบด้วยธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะเรื่องประกอบพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัครส า, าวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมกคันลานะพาบริวารของตนไปยังนครราชครืชาวนครราชครื้ชวนกันถวายอาคันตุ ก, กะทานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนุโมทนา ใจความว่าผู้ถวายทานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะพภกคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารระสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทำด้วยตนเองย่อมได้บริวารระสมบัติแต่ไม่ได้พวกคสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นด้วยทำด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารระสมบัติและพภกคสมบัติส่วนผู้ไม่ทาเองและไม่ชักชวนผู้อื่น ย่อมไม่ได้สมบัติทั้งสองเกิดในที่ใดก็เป็นคนอนาถาไม่ได้อาหารสักว่าพออิ่มท้องชายคนหนึ่งฟังอนุโมทนากถาของพระสารีบุตรแล้วต้องการให้สมบัติทั้งสองเกิดแก่ตนจึงนิมนต์พระเถระพร้อมทั้งบริวารเพื่อรับพัตต า, ารในวันรุ่งขึ้นพระทั้งหมดมีประมาณหนึ่งพันรูป เมื่อ น, นิมนต์พระแล้วก็เที่ยวชักชวนคนทั้งหลายให้ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพบางคนรับสิบรูปบางคน2ี่สิบรูปบางคนหนึ่งพรูปตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์อุบาสกผู้นั้นได้เจ้าภาพเพียงพอแล้วจึงประกาศว่าเราทั้งหลายจากประชุมกันหุงต้มในที่เดียวกันขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมของต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน ครั้งนั้นมีกระดุมพีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสนซึ่งนำมาจากแคว้นคันธาระแกะบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่า ถ้าของทาบุญพอทานวัดของท่านยังไม่เพียงพอท่านพึงเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทาบุญแต่ถ้าของทาบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอให้ถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านต้องการแต่ปรากฏว่าของทาบุญทุกอย่างมีพร้อมสิ่งบกพร่องมิได้มี อุบาสกจึงถามเพื่อนทั้งหลายผู้ร่วมทำบุญว่าจะถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดบางพวกกล่าวว่าควรถวายพระสารีบุตรบางพวกว่าพระสารีบุตรนานๆท่านจะมาสักครั้งหนึ่งส่วนพระเทวทัตยอยู่ประจําเป็นสหายในงานมงคลและอวะมงคลทั้งปวงควรถวายแก่พระเทวทัตเถียงกันพอสมควรแต่เสียงข้างพระเทวทัตมีมากกว่า จึงตกลงถวายแก่พระเทวทัตพระเทวทัตตัดผ้านั้นเย็บและย้อมแล้วนุ่งหม่มเดี่ยวไปในที่ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายซึ่งคงจะเป็นมนุษย์คนละพวกกับที่ลงมติให้ถวายผ้าแก่พระเทวทัตอันนี้เป็นความเห็นของท่านอาจารย์วสินนะคะมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพูดกันว่าผ้านั้นดีเกินหาควรแก่พระเทวทัตไม่แต่ควรแก่พระสารีบุตร พระเทวทัตห่ผมผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชครืไปเฝ้าพระศา ส, สดาที่วัดเฉตวันเมืองสาวัตถีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสว่าพระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อน พระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุรูปนั้นทูลถามก็ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าในอดีตกาลมีในพรานช้างคนหนึ่งชาวเมืองพาราสีล้มช้างแล้วนำงาเนื้อล่ำและไส้ใหญ่ไปขายเลี้ยงชีพคราวนั้นมีช้างหลายพันมาหากินอยู่ในป่าได้เห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้า ก็คุกเข่าทั้งสองลงแสดงอาการเขารบแล้วเดินไปวันหนึ่งในพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรเนาะจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสาวะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสาวะมาคลุมกายเมื่อพระปัจเจกับพุทธเจ้าลงสู่สระเพื่อสงน้ำเปลืองผ้ากาสาวะไว้ริมสระ พรานช้างลักดีวร น, นั้นแล้วถือหอกนั่งคลุมโปงอยู่ริมทางที่ช้างผ่านไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยเข้าใจว่าเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพรานจึงพุ่งหอกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนํางาและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพรานนั้นทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกาเนิดช้างเป็นนายโขลง พระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่อยหอไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบพระโพธิสัตว์คิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนก็ต้องบอกเราก่อนไม่บอกแล้วไปไม่เคยมีคงจะกต้องมีอันตรายบางอย่างเป็นแน่แท้นึกสงสัยบูรุษผู้นั่งคลุ่มผ้ากาสาวะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ให้ช้างบริวารเดินล่วงหน้าไปก่อน ส่วนตนเดินสังเกตการและระวังตัวมาข้างหลังเมื่อช้างทั้งหลายจบแล้วเดินผ่านไปพรานเห็นพระโพธิสัตว์เดินมาโดดเดี่ยวจึงแหวกจีวรพุ่งหอกออกไปพระโพธิสัตว์เดินระวังตัวอยู่แล้วจึงถอยหลังหน่อยหนึ่งหลบหอกแล้ววิ่งแปรนเข้าหาในพรานพรานเห็นดังนั้นวิ่งไปหลบที่ต้นไม้ พระโพธิสัตว์เอางวงรว่วพร้อมทั้งต้นไม้หมายใจว่าจากฟาดลงบนแผ่นดินแต่พอเห็นผ้ากาศสาวะใจก็สลดลงยับยั้งสติไว้พรางคิดว่าถ้าเราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่าทําลายความละอายในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าและพระขีณาสพหลายพันองค์จึงถามพรานว่าได้ฆ่าญาิของท่านมากมายหรือพรานรับเป็นสัต พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าทำไมท่านจึงทำกรรมอันหยาบช้าเห็นปานนี้ท่านห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนผ้าอย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวคำอย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นแล้วโอวาทว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเขาไป พระสัสดานำเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัตในครั้งนี้ช้างโพธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้ำอีกว่ามิใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้วทรงปราบเรื่องนี้เป็นเหตุพระศสาศสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตเรื่อง ู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะดังได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้น